2 0งความจริงที่ไม่ใช่ฝันไม่มีในคนผู้ยังอวิชชาปุถุชนคนในโลกล้วนหลงอยู่กับฝันเยี่ยงนี้กันทั้งสิน้นไม่มีปุถุชนคนใดไม่วิปลาสไม่หลงอยู่กับฝันดังว่านี้เลยในชีวิตเป็นเป็นตื่นตื่นอยู่ก็มีฝันอยู่ตลอดเวลา นอนหลับก็มีฝันนี้อยู่ตายไปก็มีฝันนี้อยู่ยังหลงฝันว่าเป็นความจริงอยู่โดยเฉพาะปุถุชนคนผู้มีกิเลสหนาทุกคนเพราะผู้ที่ยังมีพบเป็นตนอยู่เมื่อตายไปแล้วนั่นแหละที่ยิ่งหลงสนิทว่าพบฝันนั้นแหละเป็นความจริงนี้คือวิปลาส ที่หลงยึดพบชาติที่ไม่จริงเลยนั่นเองว่าเป็นความจริงอยู่จึงจมดิ่งอยู่กับความฝันนั่นแหละแล้วก็ดำริศนายึดมั่นถือมั่นมืดมนอ น, อนทการอยู่กับฝันที่ตนยึดมั่นยิ่งว่ามีจริงกันโดยเฉพาะในตอนมีชีวิตเป็นเป็นนี้ก็อยู่กับความหลอกอยู่กับวิปลาส ยังไม่มีสัจจะคือความจริงก็สร้างนิยายกันไม่หยุดชานี้คือผู้ไม่รู้สัจจะจึงไม่มีความจริงทั้งในตอนเป็นเป็นทั้งในตอนนอนหลับอยู่ทั้งในตอนตายไปแล้วผู้ที่มีความจริงทั้งในชีวิตตื่นๆทั้งในตอนนอนหลับ ท้งในตอนตายไปก็คืออรหันหนึ่งเดียวและอรหันเท่านั้นแต่กระนั้นในความซับซ้อนขององค์ประกอบแห่งชีวิตในขณะที่อรหันยังมีชีวิตเป็นๆอยู่นั้นก็ยังต้องมีการอนุโลมไปกับมารยาทที่จริงคือมารยายอมเออเออเออไปกับสังคม อยู่กับสังคมอยู่เลยยังรู้ยังเห็นความวิปลาสที่ตนอนุโลมปฏิโลมไปกับโลกอรหันเองก็ยังใช้ความจริงที่บริสุทธิ์บริบูรณ์แท้เพราะชีวิตยังไม่ตายก็ทําประโยชน์อยู่กับความจริงของสังคมสมมติสัจจะตามที่สังคมถือกันว่าจริง จึงเท่ากับฝันไปกับสังคมจนกว่าจะตายความจริงที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สมบูรณ์แท้นี้อรหันจะมีได้ก็ต่อเมื่ออรหันกายแตกตายไปนั่นแหละจึงจะมีความจริงแท้ได้ไม่ว่าอารหันจะตายศูนย์ไปเลยอาปาณิหิจานิพาน หรืออรหันต์ผู้นั้นจะตายแต่ก็ยังตั้งกิจต่อพุทธภูมิปณิหิสานิพานต่อไปอยู่ก็ตามจึงชื่อว่าอารหันต์ที่ไม่เหลือทั้งฝันอานิมิสานิพานไม่เหลือทั้งนิมิต์อนิมิสานิพานและไม่เหลืออะไรอีกเลยศูนย์ยตสานิพาน ความจริงหรือสัจจะที่แท้จริงชื่อว่ามีได้จริงกับผู้อรหันต์ที่ตายไปครบนิพพานสาจริงเท่านั้นจึงจะเป็นความจริงที่มีหนึ่งเดียวไม่เกี่ยวกับอะไรใครเลยที่ต้องอาศัยความจริงในโลกที่ชื่อว่ามีวงเล็บอัติหรือไม่มีวงเล็บนัตติ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ43